หรือว่าเป็นอริยประเพณีเป็นประเพณีของคู่มีความเป็นเลิศออกจากพระยานอย่างทราบนี่ว่าพระทศพรรย า, ยาของพระบรมศาสด า, า, าพระองค์ท่านกำ ห, หนดดูประเพณีอันดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์ท่านเหล่านั้นพระองค์ท่านเหล่านั้นที่ผ่านไป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 มันเข้าไม่ชัดเอากำกับไห้มันยาวๆเพ่งพิจพิเคราะห์ดูจริงๆจะเห็นลมหายใจเข้าสัมผัสตรงไหนไม่พ้นที่มันสัมผัสสัมผัสชัดเจนก็คือส่วนมากก็คือปลายจมกูกหายะเข้าก็สัมผัสตรงนั้นก็ไม่ต้องไปตามลองไปถึงไหนมันจะไปถึงไหนมันก็เป็นระบบสรีระของคนไม่เลยถึงไหนหรอกสด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 รู้ทั้งรู้ว่าทุกแต่ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุที่ไปที่มาแห่งทุกอย่างที่พระราาท่านถัายเป็นกันเวลานี้วาระนี้มีความรู้ประเภทเดียวกันคือคือจิตคือคือท่งความรู้แต่เวลาน้วาระนี้มันรู้แบบลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มหลงหลงมันไม่รู้จริงตามความเป็นจริงเพราะขาดคาว่าสติขาดคาว่าปัญญาปัญญาเป็นว่าความแยบคายของจิตแยบคายไปเพื่อรู้ความเป็นจริงของสั์สังขาร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 อย่างน้อยๆก็ฝาก่าฝืนต้านทานอดทน ม, มันจะไม่ได้กำเริบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนฆ่าศึกัตรูเวลาขึ้นเวทีชกกับคู่แข่งขันเขาไม่ได้ชกแบบ อ, อมอนๆ ม, มือเนี่ยเพราะความจริงก็คือธรรมากอาจทาขึ้นเวทีกิจ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 สนับสนุนต้นทุนเดิมกว่าคือความหลงแรงผลิตโรงงานผลิตความรักความชังออกมาจากความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงภาษาธรรมท้งวัดหลงแต่มันไม่ได้โง่นะความหลงเนะี่ยมันฉลาดฉลาดหลักแหลมเกินสติกปัญญาของเรามากมันครอบงมสติปัญญาของเราอยู่หมดัด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 หลักการของของมันกันสมุทญาอริยสัจจังธุราเขามีอย่างเดียวมีหน้าเดียวธุราเขามีอย่างเดียวก็คือมัดหัวใจของเราติดกับกองทุกจะทุกมากทุกน้อยเราก็ไม่รู้ล่ะรู้ตั้งแต่ว่าเราทุกเห็นไหมล่ะ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 แต่ความจริงธรรมะท่านไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นสตัตว์โลกทั้งหลายมีมาแล้วว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ก็คือสมมุติบัญญัติว่าเป็นมนุษย์จริงอยู่ก็ไม่ได้เถียงล่ะนี่คือคนนี่คือมนุษย์หญิงชายนักบวชครวตก็เป็นเรื่องนั้นหรือเรื่องนั้นจริงจริงแต่เป็นวาระของสมัตสมมติ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 การกองทุกเวลานี้ทุกมันอยู่ที่ธาตุที่ขันทุกมันอยู่ที่โลกทุกมันอยู่ที่สะพรังร่างกายกองธาตุกองขันเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ที่กองธาตุธาตุเขาก็ว่าธาตุมีอะไรบ้างก่นนิดน้ำลมไฟธาตุสี่ธาตุสี่ทาตุกก็คือธาตุธาตุผสมเพราะเราก็เข้าใจวัดดินกับมันเป็นยังไง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 จากนั้นาธาตุของแม่มาทําหน้าที่ต่อนั่นเป็นเรื่องของโลกล้วนๆแต่มันเป็นวิธีการของสังสรกรสังสารวัตรเขาออกแบบมาอย่างนั้นจากนั้นม า, าธาตุของแม่เขี้ยวกลายเป็นก๊าซน้ํามันหยดหนึ่งนั่นเป็นสมุฐานเป็นฐานนักทิศทางของสัตว์สัตสตะแปลว่าพวกเกี่ยวข้องพูกข้องขาสาตุจริงๆก็คือ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 ความอยากความไม่อยากมันทรกใหม่มันเร่าร้อนใหม่ตอนนั้นแล้วทำไมไม่ทราบทำไมไม่รู้ทำไมไม่ดูจะให้ใครมาประกาศกีธรรมะใครจะมีเวลามาประกาศว่านักหเราต้องสอนเก็บไปคิดเก็บไปเสียมสอนเจ้าของบ้างมาดูความเป็นจริงดูความเป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้เวลาเราไม่รู้จริงการมความจริงจะต้องไปทำการบ้านอยู่แล้วเราหาข้อยุติ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 เป็นอยู่อย่างนั้นล่ะกณดูเราดิหายใจเข้าหายใจออกชีวิตหนึ่งมันกี่เหมือนกี่แสนกี่ล้านเที่ยวก่อจะตายน่าสงสารไหมล่ะอาไทายวัตถุกเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บัตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาเป็นธาตนี้ไม่ได้หยุดพักแม้แต่หลับนอนพักผ่อนมันก็ยังทำงานตุ๊บตับตุต๊บ ต, ตับอยู่นี่แหละ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 สัตว์เป็นสังขารเวลาทั้งหน่ายกควาวัตทีมันหลงนี่แหละมาพินิษ์พิจารณาดูด้วยความมีสติมีปัญญายังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาก็สร้างขึ้นได้เพราะการตั้งสติไม่ได้ต้องไปลงทุนอะไรฝืนความคิดความปรุงหยุดความคิดก็กลายเป็นสติ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 ฟืนไปให้ใครเนี่ยมันก็แสดงตัวถามความเป็นจริงอืมเหตุปรินามัธมังกัาลังนุตังสมานุปัสสติเตมมมาเอโซมัสมิเอสโซเมยตาติโนเฮตังพันเตพระปัญจวัคคีทั้งห้าพระองท่านประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปอยู่นั้นธรรมจักรปวัตนสูตรที่ครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันอากาศต่างกันตรงไหน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 ประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะใครมารู้เห็นเรื่องความเป็นจริงเหล่านี้แล้วจะมายกจิตยกใจเข้าของพ้นไปจากวิกฤตก็คือความบกวนเวียดไม่้ใจเกิดอืทําให้พระทัยของพระองค์ท่านเฉลียวฉลาดทําให้จิตใจของสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายรู้ยิงย่งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็คือมาดูกองทุกนันล่ะกาหนดให้รู้สิปริยันติปริยัตัน ต, นติพระองค์ท่านกําหนดลุลแล้วกาหนดรู้แล้ ว, แลวว่ากองทุกนันเป็นของที่มาอยู่ประจําสัตว์สังขารประจําธาต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 ก็คิดปรุงเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่ล่ละไม่ได้ต่างอะไรกันนักหนาหรอกคิดอ่อนเอคิดไปเพื่อวกวนคิดไปเพื่อวัฏสงสารคิดไปเพื่อเป็นทาตสังสารจักรเหมือนที่สัตว์โลกทั้งหลายเป็นกันแต่พระองค์ท่านเขี่ยวเข็นมาจะถึงขว่าสัจจะประมทิฐานบารมีก็ว่าตะกี้นี้สาทับลงไปตอนหัวคําเธอจะเป็นโมฆะบุรุตอะไร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 เธอเยออทะยานอยากไหมแม่กิเลสฐานสวะการมาสวะพระวสสาอวิชชาสวามีแต่เครื่องเธอเย่อทะยานชยานอยากไปตามสิ่งที่ไม่มีความเป็นจริงรองรับอยากกดันทุรังอยากกระทั่งสิ่งที่เป็นไปม่น้าอย่างที่ว่านั้นปัานนั้นเราก็ยังจะไปเป็นทาตมันเหรอืมเราเป็นธาตธรรมะซึ่งเป็นความจริงความสัตย์ความจริงอยู่ที่ธรรม นัหหน้าที่ของเราก็คือยกมครคสัจจะขึ้นมาทําหน้าที่กิจของเราทําหน้าที่ของเราตามความที่ควรจะทํากิจของทุกก็อย่าเป็นละทุกกิดของทุกกฎกาหนดให้รู้กิดของอนิโรธไม่ต้องไปทาอะไรนิโรธเราทําหน้าที่มักยก